มาดูข้อความในมาหาจัตตารีสกาสูตต่อจากเมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานที่กล่าวไปนี้เน้นสัมมาทิฏฐิเป็นหลักเลยนะแต่ว่าหัวข้อนี้แสดงสัมมาสมาธิว่าสัมมาส ม, มาธิพร้อมทั้งเหตุและบริขารหรือบริวารั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาส ม, มาธิที่มีองค์มรรคเจ็ดที่เหลือนั่นแหละเป็น บริขารเป็นบริวารเป็นเครื่องประดับเนี่ยนะหรือเป็นอลังการก็ได้ในบรรดาองค์มรทั้งหมดนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัมมาทิฏฐินี้ถือว่าเป็นประธานเพราะว่าสัมมาทิฏฐินี้ทำให้รู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไอความรู้ตัวนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ย สัมมาทิฏฐินี้เป็นประธานรู้ชัดสัมมาสังกประรู้ชัดมิจฉาสังกประรู้ชัดสัมมาวาจามิจฉาวาจาคงทบทวนเมื่อวานนิดหนึ่งนะให้ผู้การฟังขาดเรียนคนเรียนแล้วก็ได้อันนีนงไปด้วย คุณเราวันต้องฟังให้ดีๆนะไม่ใช่ร็วสมมาทิฏินี่ถือว่าเป็นอะไรเป็นประธานใช่ไหยท่านบอกว่าเป็นประมุกอ่นนะประมุกหรือประธานอันเดียวกันเป็นหัวหน้าเพราะสมมาธิฏฐินี้ทําให้รู้จักมิจฉาทิฏฐิรู้จักสมมาธิฏิ สัมมาทิฏฐินี้ทําให้รู้จักอะไรอีกรู้จักสัมมาสังกัปปะเอ่อขออภัยโทษทีครับตัวสัมมาทิฏฐินี้ทําให้รู้จักนะนะมิจฉาสังกัปปะเนี่ยนะนะรู้จักสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐินี่แหละ ที่ทำให้รู้จักอะไรมิจฉาวาจาสัมมาวาจามิจฉาเอา่อมิจฉาทิฐิมีวัตถุตั้งใดมีวัตถุสิบวัตถุสิบนี้เป็นหัวข้อ เท่ากับว่าไอ้มิชชาทิถีมีวัตถุสิบเนี่ยนะต่อด้วยอะไรอีกอันตะคาหิกะเนี่ยนะอันตะคาหิกะทิฐีสิบเนี่ยนะแล้วก็ไอตัวตัวสิบตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามิชชาทิถีมีวัตถุสิบยังมีอันตะคาหิกะทิถีสิบยังมีพวก ะนะทิฏฐิ62เป็นตน้นตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงจะวินิจฉัยเลือกเฟ้นได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้มิจฉาทิฏฐินี้เกิดจากอะไรเกิดจากสักกายทิฏฐิ20สเนี่ยนะส่วนสัมมาทิฏฐิแบ่งออกเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะเป็นโลกิยะกับโลกุตระ ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะตัวสัมมาทิฏฐิที่มารู้จักมิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิอะสัมมาทิฏฐิตัวนี้หมายถึงวิปัสสนานะหมายถึงวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิที่มารู้จักมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกยะนี่หมายถึงกรรมสักกตาสัมมาทิฏฐิ อนนกรรมัศกตาสัมมาทิฏฐิก็ตัวอย่างเช่นรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้ว่าการให้ทานมีผลเป็นต้นเนี่ยนะส่วนสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระะก็อันนี้มีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์อ่านนะพอสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระก็มีกี่ระดับระดับโสดาปติมารสกทาคามิมาร อนาคามีมรักและอรหัตตมรักนะเนี่ยก็ส่วนย้อนมาหาว่าตัวสัมมาทิฐิตัวนี้ก็ยังเป็นวิปัสนาสัมมาทิฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิจะทําให้รู้จักมิจฉาสังกประและสัมมาสังกประมิจฉาสังกประมีสามคือหนึ่งกามวิตกสองพยาบาทวิตกสาม วิหิงสาวิตกน่ น, นะเพราะเป็นอากุศลวิตกใช่ั้ยส่วนสัมมาสังกะปะก็แบ่งออกเป็นสองคือโลกิยะกับโลกุตระโลกิยะสัมมาทิฏฐิขออภยัยโลกิยะสัมมาสังกะปะก็คือเนคขมะสังกะปะ อพยาปาทะสังกปะอวิหิงสาสังกปะที่ยังอยู่ในส่วนบุญที่ยังเป็นบุญส่วนสัมมาสังกปะที่เป็นโลกุตระก็คือวิตกวิตักกะในโลกุตระจิตน่ตั้งโสดาปฏิมักเป็นโสดาปฏิมัก โ, โสดาปฏิผลเป็นต้นน่น ส่วนสัมมาทิฏฐิที่รู้จักมิชฉาวาจารู้จักสัมมาวาจามิชาวาจาเนี่ยนะก็มีสี่ประการใช่ไหมหนึ่งพูดคำเทศสอง <Yeah. S 1> ส่อเสียดสามห <Yeah. S 1> ยาบเนี่ยนะพูดคำหยาบสี่ก็เพ้อเจ้อ สี่ก็คำพูดเพอเจอร์มาเวลาอ่านสือนะพยายามอ่านเอาแต่เนื้อหาก็พออย่าไปสะกดมากเพราะว่าเขมมาไม่ค่อยชอบทำงานส่งอาจารย์ก็เลยได้อันนี้ส่งอย่างนี้เลยส่วนสัมมาวาจานี้แบ่งออกเป็นสองคืออะไรที่เป็นโลกิยะกับโลกุตระ ที่เป็นโลกิยะสัมมาวาจาก็คืออะไรเว้นคือเท่ากับตัวเจตนาอย่างหนึ่งเจตสิกอย่างหนึ่งเจตสิกตัวนี้เท่ากับอะไรวีรตีเพราะฉนั้นตัวโลกิยะสัมมาวาจาเนี่ยนะองค์ธรรมได้แก่ตัวเจตนากับเจตสิกสินเน้นสองตัวะ คือตัวเจตนาหรือตัววีรตีที่เว้นจากคําพูดเทศเจตนาหรือวีรตีที่เว้นจากคําพูดส่อเสียดเจตนาหรือวีรตีที่งดเว้นจากพูดคําหยาบเจตนาวีรตีที่งดเว้นจากคําพูดเพ้อเจอ้อทีนี้ในขณะเดียวกันแล้วไปพูดอะไรล่ะก็พูดคําศัพท์คําจริงดํารงมั่นในคําศัตท์คําจริงนะพูดมีหลักมีฐานพูดมีที่อ้างอิงเนะี่ย พูดคำพูดที่ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีปรองดองแล้วก็พูดไพเราะเนี่ยนะไม่พูดคําหยาบเป็นคําของชาวเมืองพูดเพื่อเจอก็พูดอิงอัดอิดอง ร, รมอิงวินัยอิงอัดก็คือประโยชน์อนนอิงทำก็คืออิงเหตุอิงวินัยก็คืออิงสังวรวินัยอิงปะหานาวินัยส่วนสามมาวาจาที่เป็นโล ก, กุตระนั้นเป็นวีรตีอย่างเดียว วิรตีที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะอันนี้เนื้อหาโดยสรุปที่เราเรียนตปเป็นอย่างนี้เมื่อวานคุณพานฟังแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อวานอ๋อใช้คำพูดเป็นหลักไม่ได้เขียนเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิที่เราพูดในนี้ได้กี่มีสัมมาทิฏฐิกี่ข้อ สมาธิที่ที่พูดในเนี้ยในกระดาษเนี้ยคุณสุจินสมาธิทิมีปกติมีเท่าไหร่มีห้หนึ่งกรรมสกตาสมาธิสองวิปัสนาสมาธิิในสูตรนี้ไม่เอาฌานนะฌานสมาธิิไม่เอาในสูตรนี้นะสเออสามสามักสมาธิิผลสมาธิิและปัจเจเวขณะสมาธิิในที่นี้นะหนึ่งวิปัสนาสมาธิสอง กรมัสกตาสัมมาทิฏฐิสโลกุตระสัมมาทิฏฐิเท่ากับพูดสัมมาทิฏฐิเพราะพวกนี้สัมมาทิฐินี้ก็เป็นวิปัสนาสัมมาทิฐิทั้งหมดวิปัสนาสัมมาทิฐิเนี่ยทำให้ไปวิเคราะห์ไปพิจารณาสัมม า, อาขอไปสัมมาทิฏฐิพิจารณามิจฉาทิฏฐิ พิจารณามิจฉาสังกปะพิจารณามิจฉาวาจาถามว่าเข้าไปพิจารณาว่าอย่างไงวิปัสสนานะไปพิจารณาว่าอย่างไงก็คือเข้าไปทําปริญญาในมิจฉาทิฏฐิเข้าไปทําปริญญาในมิจฉาสังกปะเข้าไปทําปริญญาในมิจฉาวาจาทั้งโดยสภาวะลักษณะและสามัญญลักษณะรู้อัสาธะแห่งทิฏฐิรู้อัสศธาแห่งรู้อาทีนวะแห่งมิจฉาทิฏฐิ ใครคิดนะว่ามิจฉาทิถิทั้งหลายมีอะไรเป็นอ ส, สาทะานะพอมิจฉาทิฐิมีวัตถุสิบเนี่ยนะอันตะคาหิกะทิถีสิบทิถีหกสิบสองสกายยะทิถิเนี่ยมีอ ส, สาทะอยู่นะอ ส, สาทะก็คือสุขโสมนัสอันใดที่อสสาศัยทิฐิเหล่านี้เกิดขึ้นสุขโสมนัสอันนั้นเรียกว่าอ ส, สาทะโดยทั่วๆไปก็คือ ผู้ที่เป็นเจ้าทิฐิก็จะมีคนสการะนับถือเป็นต้นเนี่ยนะเพราะเพราะตัวเองเป็นเจ้าลัทธิทิฐิเหล่านี้ใช่ไหมอันนี้พันธ์อันนี้สงของทิฐิเหล่านี้ก็คือประกอบบริบูรณ์ไปด้วยปัจจัยสนะหรือว่าผู้ที่นับถือทิฐิเหล่านี้บางทีก็มีความสุขน ะ, ะได้รับความสุขสมนะจากทิฐิเหล่านี้ก็นี่เรียกว่าอสารธา แล้วอารีนวะโทษของทิฐิท่านบอกว่าไม่มีอะไรที่มันจะรกมันจะกันดานมันจะแห้งแล้งเท่ากับมิจฉาทิฐิข้ามได้ยากเท่ากับมิจฉาทิฐิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยนะคติสองก็คือนรกกับเดรฉานขณะเดียวกันนี่ขวางขวางกั้นต่อสัมมาทิฏฐิหมดเลยเนี่ยนะขวางกั้นกลางกั้นต่อสัมมาทิฏฐิเพราะไม่มีกรรมสกตาสัมมาทิฐิ ถ้าไม่มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิโลกุตระสัมมาทิฐิจะมีได้อย่างไรมันก็ต้องเห็นโทษที่สําคัญมากๆเลยคือต้องฝึกแยกแยะว่าแยกตัวปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าอะไรเป็นสมัมิจฉาทิฐิอะไรเป็นสัมมาทิฐิปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยตัวสังกัปปะนะโดยเฉพาะอากอุศลสังกัปปะทั้งหลายนนเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ย สัมมาสังกปะกับมิจฉาสังกปะอันไหนมากกว่ากันก็มิจฉาสังกปะมากกว่าทีนี้มีปัญญาพอที่จะเรียกว่ายอมรับว่ามันเป็นมิจฉาสังกปะหรือไม่โดยมากเชื่อไหมซา์ทั้งหลายไม่คิดว่ามันมีโทษ ด, ด้วยไม่มีกรร ม, มสกตาปัญญาไม่มีวิปัสนาปัญญาคิดว่าไอ้มิจฉาสังกปะมันมีโทษ เออเนี่ยถามเช่นว่าเขานึกโกรธนึกชังนึกชอบนึกอะไรทั้งหลายและเนี่ยเขารู้ไหมบอกเขารู้แต่เขาไม่มีปัญญาวิเคราะห์ไอ้แยกไอ้ตัวความคิดนั้น อ, อ่ะมันเลวร้ายแค่ไหนใช่ไหมน้อยนักที่จะวิเคราะห์ได้ว่ามันมีโทษยังไงขณะที่การมสังกปะเกิดขึ้นพยาบาทสังกปะเกิดขึ้นแล้ววิหิงสาสังกปะเกิดขึ้นถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายรู้โทษของมิจฉาสังกปะจริงนะ ศาสนาเจริญกว่านี้เยอะเนี่ยนะแสดงว่ากำลังคุยกันคนละเรื่องกับที่อธิบายอยู่อ้าวที่คุณถามเข้าใจแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่ได้อธิบายตรงนั้น คือกําลังพูดถึงว่ารู้จักคัดแยกไอ้ตัวทิฏฐิเนี่ยนะคือขอพายแยกแยะสังกัปะทั้งมิจฉาสังกัปะแล้วมิจฉาสังกัปะแล้วก็ที่สําคัญก็คือวาจานะแยกแยะมิจฉาวาจากับสัมมาวาจาผู้ธรรมะถ้าพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจนี่เป็นสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจามิจฉาวาจาพูดด้วยมานะมิจฉาวาจา เอาคำธรรมะมาไว้ด่าคนเล่นก็เป็นมิจฉาวาจ า, จา บ, บางครั้งอภิ ช, ชานี่มันิดหมดเอ่าใช่ อ, อิชานะใช่แต่ทีนี้ว่าอาวิ ช, ชาตัวนั้นมีโทษหรือไม่มีโทษแล้วใครรับอ่ะอิชาเป็นสภาวะธรร ม, มอืมเอา <laughs> เลยนะ <laughs> โทษของวัตตะทีนี้ในบรรดาตัวนะย้อนกลับมาหาสัมมาทิฏฐิใหม่ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยผู้ที่ภาเพียนที่จะละมิจฉาทิฏฐิเพียนที่จะเพื่อให้บรรลุเนี่ยนะบรรลุหรือเจริญเนี่ยให้เกิดสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นอะไรเป็นสัมมาวายามะเห็นไห เป็นสัมมาวายามะมีสติละมิชฉาทิฐิมีสติเจริญสัมมาทิฐิอันนี้เป็นสัมมาสติพราะในขณะนี้เท่ากับมีมรรคกี่องค์หนึ่งสัมมาทิฏฐิ 2. ส, สัมมาวายามะสมสัมมาสติสมมรรคแล้วใช่ไหมสามรรค ถามมามัคที่เหลือเพราะที่เหลือก็อยู่ในหัวข้ออื่นที่จะกล่าวต่อไปเห็นทีนี้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิผู้ที่มีปัญญาอย่างเงี้ยเพียรที่จะละมิจฉาวามิจฉาสังกปะเพียรที่เจริญเพื่อให้บรรลุสัมมาสังกปะอันนี้เป็นสัมมาวายามะเมมีสติละมิจฉาสังกปะมีสติบรรลุสัมมาสังกปะอันนี้ก็เป็น สติอันสตินี้สัมมาวายามะสัมมาสติท่านถือว่าเป็นบริขารเป็นบริวารถ้าตรงนี้มีกี่มัดหนึ่งสัมมาทิฏิสองวายามะ3สติ4สัมมาสังกปะอันนี้โดยการแสดงนะโดยการแสดงถ้าขณะที่สัมมาธิธิเกิดขึ้ น, ย น, นแยกแยะออกแล้วก็เพียนเพียนเพื่อละ มิชาวาจาเพียรเพื่อเจริญเพื่อให้บรรลุสัมมาวาจาอันนี้เป็นสัมมาวายามะอันผู้ที่มีสตินั่นแหละเรียกว่าผู้ที่ผู้ที่จะละอย่างนี้ได้ต้องมีสติใช่ไหมเขาบอกว่าวิธีเครื่องวัดง่ายๆของผู้มีสติคือเขามีสติละมิจฉาทิฐิมีสติบรรลุสัมมาทิฐิมีสติละมิจฉาสังกปะมีสติบรรลุ สัมมาสังกปะมีสติละมิช่าวาจามีสติเจริญสัมมาวาจาอันนี้เรียกว่าผู้มีสติเนี่ยนะไม่ใช่เอาสัญชาตญาณมาที่บายสติถ้าสาติชาวโลกก็สัญชาตญาณ mm. คุณบุญมีไม่มาวันนี้เปลี่ยนโบทไปแล้วนนะเขาวันหนึ่งเขานับเอ่ออาทิตย์หนึ่งเขานับถือสองสาศาสนา ก็มีใครไม่เข้าใจบ้างก็เดี๋ยววันหลังนะใครเงียบๆจะให้เขามาถามอ่ะวว่าไง คือตัวสัมมาทิฏฐิในฐานะเป็นประมุกสัมมาทิฏฐิทุกอันเนี่ยนะคือประมุกประมุกเขนะตรงนี้ประธานเนี่ยนะประธานกับประมุกอันเดียวกันเขาในฐานะเป็นประมุกในฐานะเป็นประธานไอ้ตั ว, ต, ว, ต, วตัวทิฏฐิเนี่ยนะอันพราศาสนานี้ยกให้ทิฏฐิเป็นประมาณว่าจะได้ดีจะตกยากเนี่ยนะจะเจริญจะเสื่อมอยู่ที่ตัวทิฏฐิว่าอยู่ที่ความเข้าใจจริงๆ อัน น, น, นี้เดี๋ยวสัมมาสัมมาอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงร่างกายเลยนะเนี่ยไม่ได้พูดถึงอิริยาบทเลยสักข้อหนึ่งแต่นะที่ทีกับสังกปะเนี่ยนะเป็นเรื่องของความคิดใช่ไหมวาจาเป็นเรื่องของคําพูดมันใครที่จะปฏิบัติตามมรรคเนี่ยหนึ่งสังเกตเรื่องความเห็นกับความคิดคําพูดให้ได้ก่อนแล้วค่อยร่างกายค่อยไหวทีหนึ่งเนี่ยนะก็บอกเมื่อไหร่ท่านจะพานั่งสักที ยังก็ว่าเขายืนงั้นแหละขอมายืนอยู่สองคนเนี่ย <c oughs> ก็พยายามทําความเข้าใจให้ดีๆเพราะว่าถ้าเข้าใจไม่ถูกเนี่ยนะถึงนั่งมากเดินมากยืนมากก็ยืนมากก็เป็นยาม <c oughs> แล้ตัวที่สำคัญก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าความเห็นเนี่ยแยกแยะให้เป็นว่าอะไรเป็นสัมมามัมิมฉามัก อันสติปทานถ้าเรียนมาขนาดนี้แยกไม่ได้ก็โหเอ็นดูคนสอนเลยไม่ได้เอ็นดูคนเรียนแล้วข้ามน้ำมาทุกวันทางนี้ในนี้ผ่านไหมว่าไงและตำหนิเสียหายตรงไหนเอาว่าไป ตรงไหนตรงไหนะ ในในในชั้นที่กําลังพูดเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าอะไรนะติดตั้งเครื่องแยกมร์ยังไม่ได้พูดอะไรเลยว่าคือติดตั้งเครื่องจะว่าเออเนี่ยคุณจะเดิญสัมมามร์นี้น ก, กํนนะาลังมิจฉามร์นะแค่ว่าติดตั้งเครื่องเฉยๆนะตัวสัมมาทิฏฐิปฐมกตัวเนี่นะทีนี้ต่อไปว่าเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะ เพื่อจะมีสัมมาวายะมีสัมมาสติเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะเจริญสัมมาทิฏฐิซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะเรากำลังพูดพาเวตประธรรมอยู่พาเวตประธรรมเพราะั้นในกลุ่มธรรมะพวกนี้ต้องไม่ลืมไหมเขาขึ้นด้วยอะไรหนึ่งอภินยยัยยธรรมสองปรินญายธรรม 3. ประหาตปธรรม 4. สัจฉิาตปธรรมหภาเวตปธรร ม, ร เ, รรมเนี่ยมาพูดข้อนี้ละเนี่ยนะเมื่อพูดข้อนี้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ลองกลับมาดูว่ากลมปริญญาธรรมนี่คืออะไรก็คือขันอยัตนะธาต ขันท่าอรยตนะเนี่ยมีชื่อย่อๆว่าสังสาระสงสารเนี่ยนะสงสารตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเห็นใจนะแปลว่ามันยาวเออมันยาวก็เลยน่าเห็นใจบ้างเนาะแล้วก็สังสาระถ้าบวกวัตตะก็แสดงว่าเป็นกลุ่มกรรมวิบากกิเลสอันนี้เครียกว่วัตตะก็เลสังสารวัตทีนี้ ถามว่ามิจฉาทิฏฐิเมื่อมันเกิดเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันไปถือว่าเช่นว่าถ้าสละมหาพูดออกไปเนี่ยนะมันไม่มีผลเช่นว่าภูกาเนี่ยไปเที่ยวหาพรมบูชาประทาตมีประโยชน์อะไรใช่ไ อ, อลักษณะนี้แหละเรียกว่าปฏิเสธว่าทานเนี่ยมีผลคือคือถามว่า าการบริจาคอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าพรมเนี่ยคืออะไรก็คือรู ป, ปรขันการสละรู ป, ปรขันเป็นทานไม่มีประโยชน์อย่างเนี้ยเป็นมิจฉาทิฐิข้อหนึ่งในใ น, ใ น, ใ, นในบรรดาสิบข้อใช่ไหมหนึ่งทานไม่มีผลสองทำ ม, มหากุศลอย่างยิ่งใหญ่แบบพระราชาก็ไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้อันนี้เป็นมิจฉาทิฐิข้อที่สองอสเอมตปุริสเมต อะ น, นะพวกที่เรียกว่าปกครองบ้านเมืองจนไม่ต้องล็อกประตูบ้านอะ่ะประชาชนอยู่ดีกินดีขนาดนั้นบอกไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยพวกนี้ปฏิเสธสาปฏิเสธว่าการต้อนรับการเชื่อเชิญการทำมงคลไม่มีประโยชน์อ่นะข้อข้อสานะนะดูในตำรากันแล้วกันข้อสี่อะไร วิบากแห่งอกุศลกรร ม, มบทวิบากทำกุศลกรร ม, มบทไม่มีวิูหมายคือว่าใครจะทํากุศลกรร ม, มบทแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ใครจะทําอกุศลกรร ม, มบทแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถามว่าไอาการบูชาการต้อนรับเชื่อเชิญการทํกมม า, ทากุศลกรร ม, มบทอกุศลกรรมบททํากันที่ไหนก็ทําในขันทา่าอายตนะนี่แหละทีนี้ข้อต่อไปอีกข้อ5อะไรนะ สัตว์ที่มาจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีก็คืออย่างเช่นปฏิสนธิครั้งแรกของขันเนี่ยมาอย่างไรไนะก็บอกว่ามันเกิดเองมันเกิดลอยลอยแล้วถามว่าเมื่อจุติจิตแล้วเกิดมันจะมีต่อไปอีกไหมมันก็ปฏิเสธผู้นี้ข้อห้าข้อหโลกนี้ไม่มีหมายความว่าสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีข้อ6ก็บอกว่าตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น ไม่มีแต่ถ้าผู้ที่ะนะทัวในครั้งว่าผู้ที่เรียนปริญปรินเยยธรรมปรหาตประธรรมมาดีมากๆเนี่ยเขาจะรู้ว่ามิจฉาทิฐิสารพัดชนิดที่เกิดมันเกิดที่ขันอายตนาธาตุเนี่ยนะลัทธิเหล่านี้ถ้าไม่มีขันมันไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรอกคือคิดยังไงกับขันธาตุอายตนะจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงกับขันธาตุอายตนาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะก็อย่างเช่นข้อ7ข้อ8ใช่ไหม อะไรพ่อแม่พ่อแม่ไม่มีหรือว่าเกิดมากําพะตกลงยังไงพ่อแม่ไม่มีแปลว่าอะไรมาื่วานหมายคำว่าทำดีทำชั่วกับพ่อแม่ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีคุณเนี่ยเพราะแค่แค่เลี้ยงดูทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมท่านเลี้ยงดูเรามาไม่ใช่คุณในแง่นั้ น, น, นหมายถึงว่าทำดีทำชั่วกับพ่อกับแม่ไม่มีผล เช่นใครจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ไม่บาปใครจะเลี้ยงดูพ่อแม่จนตายก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ข้อเก้า 9, นรกก็ไม่มีเปรตอสุรกาเปรตอสุรกายพวกครุฑพวกนาค ก, ก็หลอกกันเล่นทั้งนั้นเนี่ ย, ยนะเทวดาพรมก็ไว้ขู่เด็กเป็นต้นเนี่ยวันนี้ก็ปฏิเสธพวกผีสางเทวดาแล้วข้อสุดท้ายบอกนีหนักสาหัสก็คือปฏิเสธพระพุทธเจ้า ว่าใครจะไปรู้อะไรขนาดนั้นนะจริงๆแลว้วตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะอารมณ์ที่มันรองรับทิฏฐิทั้ง10บข้อนี่คืออะไรคือขันอายตนะธาตุบางส่วนปฏิเสธกรรมสรุปนะใจความโดยสรุปบางส่วนปฏิเสธวิบากบางส่วนปฏิเสธกิเลสคือปฏิเสธว่าไม่ใช่ปฏิเสธว่ากิเลสไม่มีกิเลสมีอยู่แต่ ปฏิเสธว่ากิเลสเนี่ยมันมีทุกข์มีโทษอะไรไม่เหมีโทษอะไรนั้นใครถือบางคนถือว่าใครที่มีความสามารถโกรธโดยที่คนอื่นไม่เช่อนอยากด่าใครสักครึ่งวันโดยที่คนอื่นมหาหาอะไรนะโต้อตอบไม่ได้เลยเนี่ถือว่าเป็นความวิเศษของบางคนนะบางคนก็ถือว่าปรนเปลืด้วยกิเลสกรรมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นกําไรชีวิตเท่านั้นพวุนี้ก็ปฏิเสธพวกนี้กรรมวิบากและกิเลสว่ารวมรวมมันอยู่เท่านั้น กรรมวิบากกิเลสคืออะไรก็คือขันอาญตนะและธาตุอันมิจฉาทิฐิเนี่ยนะตัวตัวมิจฉาทิฐิมันเป็นความคิดเป็นนามธรรมที่เกิดในในจิตใช่ไหมทิฏฐินี่เกิดในจิตแล้วอารมณ์ที่มันรองรับเวลาคิดถึงคิดอะไรคิดถึงขันอาญตนะธาตุแล้วปฏิเสธกรรมปฏิเสธวิบากแล้วก็ปฏิเสธโทษภัยของกิเลสอันนี้แหละเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิ มาเข้าใจแล้วว่าโอ้โหในเรียนปัญญาแล้วต้องมาเรียนวิธีใช้ปัญญาด้วยเหมือนกันการนัยือของวิชาทิถีก็คือถ้ำนีแหละเราเนี่ยอายัน้เนี่ยเบื่อทันทขน้องมานะคก็เกิดมาถูพขยำขยีไม่รู้ขอมาฟังไม่ค่อยเข้าใจมันแปลว่าอะไร เราก็ชื่นชมมันมาก่อนนะตอนหลังหนักเข้าหนักเข้าแสดงมาเป็นเหยื่อของมิจ้าที่ถ้าเกิดอเราคิดผิดนะก็จะเรียกเหยื่อก็ได้เนี่ยนะเรียกว่าเราไม่ฉลาดคิดก่ลงเลยมันมีสิ่งที่รองรับสาระโตนะคะนัยยะตระหนัธรรมชาติของมันก็สาสวะโตอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้ใช้คําบางอย่างมันทําให้นึกไปที่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้เอาใหม่ทีนี้ทารุบอกว่าเออมันมีโทษแหละชั้นจะละแกละไอ้มิจฉาทิฏฐิเอ้ย ฉันรู้แกเนี่ยมีทุกมีโทษดังกล่าวไปเนี่ยทิฏฐิเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมิจฉาที่ตัวปัจจัยเมื่อวานกล่าวแล้วใช่ไหมสออย่างหนึ่งอโยนิโสมนาสิการสองปะโตโคโสะอะโยนิโสมนาสิการก็คือไม่ฉลาดคิดเองปะโตโคโสะก็คือไปรับรัฐทิมิจฉาทิฏฐิมาจากการฟังการอ่านเป็นต้นก็เลยความคิดอันนี้มันคิดผิด คิดผิดทีนี้ถ้าจะให้คิดถูกก็แกแก้แก้ให้เกิดสัมมาทิฐิให้มีโยนิสโสมณสิการใหม่มีปรโตโคโศที่ดีเนี่ยนะโยนิอ่าปโตโคโศนี่สำคัญก็คือฟังธรรมฟังธรรมนี่หมายความว่าฟังอริยสัจจะทำเนี่ยนะจนแยกแยะออกว่า สรุปว่าฟังแยกจนออกว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนด ร, รู้อะไรควรละอะไรควรทำให้แจ้งอะไรควรเจริญ เ, เนี่ยฟังมาเป็นอย่างดีแล้วมาคิดตามที่ฟังนั่นแหละฟังมาอย่างดีแล้วมาคิดตามที่ฟังเนี่ยก็จะเป็นเจริญการเจริญสัมมาทิฐิในระหว่างที่เจริญสัมมาทิฐิเนี่ยอะไรเป็นอารมณ์ของสัมมาทิฐิก็ขันธาตุอายตนะตามเดิมเนี่ยนะขันธาตุอายตนะตามเดิม